و َ ن َ ظ َ ر ْ ن ا ه ُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا, الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم س و ء فأغرقناهم فأغرقناهم أ ج م ي ن ودودا وسليمان, وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، إذ نفشت فيه غنم القوم،, القوم وكن لحكمهم شاهد. ففهمنا سليمان، وكل ً ن آ ت ي ن ا حكم وعلم، َ وسخرنا َ مع داود. الجبال يسبحنا والطير و َ ك ن ّ ا فاعلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع العليم ر ض ر ال ي ت بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب ي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم Afini fi badani, wa afini fi s a m i wa afini fi b a s a r i Assalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh. Pihon yang tiri rumpun amat subuh tiri raf tang lain keberkham duliya. Kita kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k a คำนี้แหละเป็นคำที่อัลลอ์เลือกแล้วก็มาบอกให้ท่านยิบรีนมาเล่าให้นบีฟังแล้วนบีก็เอามาสอนท่านการขอบคุณอัลลอ์ที่ดีที่สุดก็คือให้กล่าวว่างไงนะอัลฮัมดุลิลลอคนที่รู้ภาษาับเยอะๆก็อัลลอฮุมมัลกัลฮัมดุวาัชชุกอัลลอฮุมมัลกัลฮัมดุวาลกัชชุกการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์ และการขอบคุณทั้งหมดก็เป็นของอัลลอฮ์เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราก็ก่อนที่จะมานมาที่มัสยิดเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วหลังจากตื่นนอนเวลาตื่นนอนให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดอัลฮยาณะบาดามะอามัตานะวาอิลัฮินอูชูรดูอาข้าวของน้ำ ออกจากห้องน้ำดูอาออกจากบ้านดูอาจากห้องนอนห้องพักดูอาเดินมามัสยิดดูอาเข้ามัสยิด ต, ต้องเข้าด้วยเท้าขวานะครับเดี๋ยวจะออกออกยเท้าซ้ายต้องมีดูอากำกับชีวิตตลอดเวลานี่เป็นสุ น, นัขของท่านนาบีใครสอนนะ้นาหนบีสอนไม่ใช่ตัวย่อสอน ตัวยอดไม่เคยสอนแบบนี้หรอกครับนบีสอนทั้งหมดนะ <c oughs> ขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสได้มานั่งอยู่ในมัสยิดหลังจากนมาซุบัลเสร็จ เ, เนี่ยคนส่วนใหญ่เขานอนกันแต่ท่านนาบีเนี่ยสั่งสั่งลูกสาวท่านนาบีเองท่านหญิงฟาติมา์ราเดียวลองอันฮาบอกว่าลูกเอออย่านอนพราะช่วงตั้งแต่หลัง ฟญตตั้งแต่ฟาญัตขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์กำลังจัดสรรเครื่องอยังชีพหมายถึงริสกีให้กับบ่าวของอัลลอ์ทั้งโลกใบนี้ที่นั้นลูกอย่านอนแล้วแม่นอนทำอะไรครับคนที่มีเข้าใจอิสลามก็าจะอ่านอัลกุรอานอย่างที่เราอ่านกันอยู่ขณะ น, นี้บางคนก็นั่งซิกุรุลลอฮ์นะครับบางคนก็นั่งนัสีิฮัด นะครับเรียกลูกขึ้นมาเรียกภรรยามาแล้วก็คุยกันนะครับเพราะนั้นถ้าหากจะนอนก็ยกเว้นคนป่วยนะถ้าจะนอนให้นอนหลังจากนะมาตะวันขึ้นแล้วพอตะวันขึ้นก็ให้นอนได้นะครับนี่เป็นความรู้เป็นศาสนาอิสลามดีมากครับใครที่เดินตามคําสอนของอัลลอฮ์ที่ผ่านท่านนาบีมาคนนั้นแหละเป็นคนที่ อะรรฟื้นฟูชีวิตของเขาให้สดใสยอยู่ตลอดเวลาคนที่ทำอะไรตรงกันข้ามกับสุนนะเบีเาเรียกว่าคนตายคนนี้ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณแต่คนที่ทำตามนาบีเนทที่ยทำมปลเป็นคนที่มีวิญญาณนะครับเป็นคนที่กระตือรือร้อนนะครับขอบคุณอัลลอ์นะที่เรากำลังทบทวนอัลกุรอานอยู่นะครับนี่เป็นเวลาที่อัลลอ์ให้นะ วันนี้มาถึงอายาที่เจ็ดสิบหกมาทบทวนอายาที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าสองอายาหนึ่งนะครับเจ็ดสิบสี่นี่พูดถึงนบีลูตนะครับแล้วก็พูดถึงอัดคลนาฟีรอฮ์มาตีนาอัลลอ์ได้ให้พวกเขานะครับมาอยู่ในความเมตตาของเราคนที่อัลลอ์เลือก ให้คนเหล่านั้นมาอยู่ในความเมตตาของเราก็คือคนที่ซอนและคนที่ซอนแล้วคนแบบไหนแล้วก็คนชั่วคนแบบไหนคนที่เลวก็คือว่าตามลุลขบาอิส74นะครับมินัลกอริยะติลละตีกานัตตามลุลขบาอิส อินนาฮุมกันุข่ามาสูอิมฟาซีนข่ามาสู่เพราะว่ามูชนที่ชั่วช้าอัลลอ์เออนี่ยอลัลลอ์ยังตำหนิเนี่ยคนที่ชั่วช้าก็คือคนที่ทำงานตะมาลุลคบาอิสคนที่ทำแต่เรื่องเลวๆ เ, เ, เรื่องที่อลัลลอ์ห้ามเขาเรียกว่าคนชั่วทุก ค, คนที่ปฏิบัติงานที่ชั่วทั้งหมด คนชั่วเนี่ยอุลามะนักตัปซีนอธิบายไว้มีอยู่หกหกพวกด้วยกันประเทศที่อัลลอฮ์ได้ทำลายก็คือประเทศที่อยู่ในประเทศเดซีในปัจจุบันนี้ <c oughs> ถูกทำลายไปเจ็ดเมืองยกเว้นเมืองสะดุมเจ็ดเมืองนั้นมีบุคคลประเภทนี้หกกลายการประเภทที่หนึ่ง ผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยเข้าหากันเองเขาเรียกว่าฮอร์โมนเซ็กชวลนะครับในกลุ่มที่หนึ่งเยอะมากเลยเรื่องที่สองก็คือชอบติดดืม่มเสพของมึนเมาทุกชนิดสองรายการเนี่ยในโลกนี้มีไหมมีครับในกทมนี่มีเยอะข้อที่สามเต้นรำร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีเป็นประจำชีวิตของเขาอยู่อย่างนี้แหละนะครับ ข้อที่4ีผู้ชายเนี่ยสวมแหวนแล้วก็ใส่ทองที่คอแล้วก็เอาผ้าไหมามาใช้เพราะยิย่งผ้าไหมามาเรื่องของผู้หญิงเขาแต่ผู้ชายก็เอามาใชา้สมัยนู้นนะสมัยนี้มีแล้วเต็ไมไหมดเลยครับข้อที่ห้าผิวปากเปล่าปากเนี่ยเอามือสายเัญยลินแล้วก็เรียกวีกวาดบุตรวันนั่นเป็นกิจกิจกรรมของคนสมัยนู้น นะครับที่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีลุตมาสอนแต่ไม่มีใครเชื่อข้อที่หกเลี้ยงนกชนิดหนึ่งแล้วก็ให้นกเนี่ยบินแล้วก็แข่งกันเราไม่รู้ว่านกประเภทไหนไม่รู้แต่ว่าเล่าให้เราพื่น้องฟังว่าหกรายการเป็นความผิดเป็นความชั่วแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งนบีมาสอนแต่ไม่มีใครเชื่อเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็พลิกแผ่นดินยกเว้นประเทศเมืองเมืองหนึ่งเขาเรียกว่ากอริยะเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อว่าสะดูม สะดุมนี่เป็นหมู่บ้านที่คนศรัทธาต่ออัลลอฮ์อาศัยอยู่เยอะแล้วก็มีนบีลูดอยู่ตรงนั้นรอดรักษาเอาไว้คนที่ไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์ทำลายหมดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเรื่องเกิดที่เนปาลที่เนปาลน่ยเกิดครั้งสุดท้ายน่ะแปดสิบปีแปดสิบปีที่แล้วแล้วก็มาเกิดมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับข้อมูลมาเยอะๆคนตรงนั้นน่ะก็พอๆกันน่นแหละกับคน ในประเทศเดดซีอ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวไปอยู่ที่นั่นเยอะไปตายเขากันไปทำซีานากันที่นั่นเต็มไปหมดนะครับร้องเพลงเต้นรำใช่ไหมอัลลอฮฺได้เตือนฉะนั้นมุมินที่อยู่ทั่วโลกวันนี้ต้องได้รับบทเรียนจากการที่เิล้าแผ่นดินไหวที่ประเทศในปากต้องนึกถ้าหามัเกิดแผ่นดินไหวในกอทมอเนี่ยพวกเราตายหมดนะ แต่ว่าตายในมัสยิดก็ตายข้างนอกตายอยู่ในบาร์อันไหนนดีกว่ากันนอนตายอยู่ในบาร์กับนอนตายอยู่ในมัสยิดก็คิดเองก็แล้วกันเพราะมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาต่อมาวันนี้อายาที่เจ็ดบหนะครับวันูฮฺวันูฮฺอิบนาดะมิ قابل ف ัَตะจับบะَ ه ลหูฟานเจย์น้าห ن ว่าอัลลฮูมินอัลคาร์บิลละดีมวานูฮันอิ้นนาด قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ف ن ج د ج ي ن ا ه وأهله من الكرب العظيم คุ้มเด ل ๋ยวเอันกอานสบายใจมีความรู้เยอะมากครับอาญานี้ทุกอาญะมีความหมายหมดเลยครับวนูฮันวนูฮ์เนี่ยพอเราเวลาอัลลอฮ์เรียกเรียกนู์น่ะอัลล์ไม่ใส่นบี แต่พวกเราเวลาจะเรียกนัวต้องใส่อะไรนะนบีเพราะอัลลอฮฺเป็นคนแต่งตั้งนบีนัวมาเรียกนัวแต่พวกเรากันเองเนี่ยต้องให้เกียรตินบีนัวอ่าัลลอฮฺต้องการจะเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้พวกเราที่อ่านคุรุาอ่านขณะนี้เข้าใจบอกว่าจงเล่าเรื่องของนบีนัว โมหะมัดเอ๋ยจงนําเอาเรื่องของนบีนวัวเนี่ยมาเล่าให้อุ ม, มางของท่านฟังต้องการจะอธิบายนะครับเพราะว่านบีนวัวเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งนบีนวัวมาทําอะไรมาสอนศาสนามาเตือนเรื่องศาสนาฉะนั้นงานศาสนางานเตือนเรื่องศาสนาเป็นงานที่ประเสริฐที่สุด เป็นงานที่มีเกียรติมากเลยเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรดีถ้าก็ ง, งานเชิญเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะหวูวะตาแ ว, <c oughs> วานูฮันจงรำาลึกถึงเรื่องราวของนบีนวัวนะครับนบีนัวเป็นไงครับอิสนาเดมิงกอบลูนบีนัวเนี่ยได้เรียกร้องนะครับ อิสนาดานาดาแปลว่าเรียกร้องหรือว่าร้องเรียกเพื่อขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่เรียกเนี่ยนาดาแปลว่าเรียกร้องหรือร้องร้องเรียกเนี่ยมาเถียงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หลังจากที่ได้สอนศาสนามากี่ปีเก้าร้อยห้าสิบปีเราใต้ขีดข้างเกิดขีดั้งเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบปีคนสมัยก่อนเนี่ยอายุยามากอัลลอฮฺ 9 5้าอยห้าสี่ปีทำงานศาสนาเอัลฮัมเดลิลลนบีนว่านี่อดทนสูงสุดมากเลยรู้เปล่าได้คนที่อีมานต่อท่านกี่คนละมีนักตับซิดอุลามาก็ว่ามีอยู่แปดสิบคนที่ขึ้นเรือกับ น, นบินว่าแค่นั้นละมาสอนต้อง 900, ก้าวรงว่าไดปีละไดร้อยปีคนหนึ่งละด้ปีละสองคนปีละคนได้น้อยมากอะ่ะ แสดงว่าหัวใจคนนี่แข็งกระด้างยิ่งกว่าหินดิค่ะวานูฮันอีนาเดามิงก็มิงก็รู้ไหมว่าแต่ก่อนนี้คำว่าแต่ก่อนนี้หมายควาว่าไงก่อนหน้าที่นบีก่อนหน้าที่จะมีนบีลูดนบีบรอฮีมนบีอิสมาอินบียากูบนบีอิชฮากนุฮมาก่อนนบีนุฮี่มาก่อนนบีลูด มาก่อนนบีอิบราฮิมมาก่อนนบีอิสมาอิลยาคูบอิสฮากนะครับนวนี่มาก่อนวานูฮันอินาดามิบกบและจงรำลึกถึงเรื่องราวของนัวเมื่อนบีนัวได้ร้องเรียกขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ก่อนหน้าที่จะมีนบีคนที่ทก่าไปแล้ว ถามว่า น, นบีนว่นนะขอดุอาว่ายังไงขอดุอาอย่างนี้ในตัฟฟิสอ ธ, ธิบายดีนะฟดารบบหฮูยั น, นีมากลูบุนฟันตัสิสนวลได้วิงวอนตอปพระผู้อาภิบาลของเขาว่าฉันถูกพิชิตแล้วฉันแพ้แล้วฉันสู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าสอนมาเก้าร้อยห้าสปีมีคนอีหมาต่อฉันไม่กี่คนยอมแพ้แล้ว จะขอทูอาต้นนี้ได้ต้องต้องเหนื่อยก่อนใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยแล้วมาขออัลลอฮฺจะช่วยนอนฉันไปไม่ไหวยังไม่ทําอะไรเลยนะขอทูอาแพ้แล้วงั้นต้องเหนื่อยก่อนต้องลงไปสอนก่อนถูกไล่ก่อนถูกนู่นก่อนถูกนี่ก่อนนัง่งเหยียงถามว่าวนาบีว่ามันะถูโ hoe มีไหมมีครับถูกดามีไหมมีครับทุกนบีที่มาในโลกนี้ถูกเล่นงานหมด แต่ว่าอัลลอ์ก็พยายามส่งเล่าเล่าประวัติของนบีคนนั้นให้นบีมุฮัมมัดฟังเล่าคนนี้ให้นบีฟังใหไไไ้ได้ได้หัวใจได้ได้กำลังใจถ้าก็มาปลอบใจอ่ะปลอบใจโดยการเล่าประวัติของนบีคนอื่นๆที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ต่อมาครับนบีนัวขอขวาเรื่องที่สองรบบีลาตาซัอลอาลลอร์อัลดีมินัลกาฟีนัดายา ร, รนัวขว่า ข้าแต่ประพูออิบาลของฉันเอ๋ยได้ทรงโปรดอย่าปล่อยผู้ใดในหมู่พวกปฏิเสธเหลืออยู่สักคนหนึ่งบนหน้าแผ่นดินใบนี้เห็นยังครับนั่นยัะหลังจากเหนื่อยมาแล้วเก้าร้อยห้าสิบปีไม่มีใครศรัทธาต่อรอดเลยขอทูอัอลลอทฺทำลายทำลายไม่รู้ว่าใครขอทุอาลอที่ในป้านเนี่ยอาจจะมีมุสลิมสักคนอย่าอาลัลลอชนทนไม่ไหวแล้ว ตายขาวกันมันลงมาทำดีนาในห้องฉันี่นชาวบ้านจะอยู่เต็มไปหมดนี่มันทําดีนางกันกินเหล้ากันร้องเพลงเต้นรำกัน <c oughs> อาจจะมีขอคนขอดูอาอัลลอฮฺจะทําลายหน่อยแบบในบีนนวก็ได้เราไม่รู้อัลลอฮฺของอาแล้วน่าคิดครับงานศาสนา น, นี่งานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คนที่ทําความดีทำเป็นโลกนี้จเจริญถ้าคนทําความชั่วเยอะๆอัลลอฮฺก็จะเตือนเตือนเตือนคนที่ทํางานศาสนาน เองต้องพยายามทำต่อไปอย่าหยุดหยุดไม่ได้นะครับพี่น้องตัวล้องว่านาบีนว่านาขอดว่าเรื่องที่หนึ่งฉันนี่นะถูกถูกพิชิตแล้วยอมแพ้แล้วไม่ไหวแล้วเก0ห้าปีเหนื่อยมากแล้วเรื่องที่สองอลัลลอฮจะอยาาเหลืออย่าหลงเหลือคนที่ปฏิเสธอิสลามสักคนหนึ่งแตาหากปล่อยไว้เชื่อมันมีจนพาคนอื่นเสียอีกโอ้โหอับัต Allah akbar ฟัสต้จาจะบรรลุเวลานบีนวัวขอ Allah รับหรือไม่รับดูคุรานฟาสต้จาจะบรรลุและเรา Allah ได้ตอบรับ Allah akbar ตอบรับเลยพออัพอนบีนวัวขอ ป, ลลปั๊บ Allah รับปุ๊บทั้งว่ารับเนี่ยเราใช้เวลาอีกต่อเรืออีกกี่ปีต่อเรืออี ก, อก เป็นปีอ๋อต่อเรือต่อเรือต่อเรือแล้วบางที่ต่อเรือนะ่ะถุงเยอะเย้ยนัวเอ้ยน้ำกว่าไม่มีทะเลกว่าไม่มีเอาเรือไปวิ่งที่ไหนจินตนาการไม่ออกอนะ่ะประชาชนเนี่ยน้าไม่มีทะเลไม่มีแล้วต่อเรือไปทําอะไรคนจิงเรือมันต้องต่อไว้ต้องมีทะเลใช่ไหมมีนูน่นมีนี้อย่างพวกคองเคสในรู้พราคองเคสอยู่ตรงนี้ต่อเรือรู้ แต่ไอกรมที่อยู่แถวโน้นแต่ถวโลกอารับเนี่ยไม่เคยเห็นทะเลตอเรือไปทําอะไรนัวบ้าได้ไงถูกเล่นงานตลอดเวลาแต่ที่ไหนได้วันที่อัลลอฮฺจะให้เรือมันรอให้ฝนตกใช่ไหมนําพูขึ้นฝนตกอ้าวเห็นทะเลเอ้าวนี่ไงทะเลมาแล้วอ้าวเรือมีประโยชน์ตอนที่ฝนตกอย่างนี้เป็นตัวบางทีจันเรานี่นะจนคิดอะไรไม่ออกหรอกให้อีมานต่อแล้ว ที่มันจะเริ่มได้ไหรอะมันนึกเจตนาไม่ออกแต่อัลลอฮ์เล่าในโลกอาคีรอดอาคนะนะนะนะีรอดมีจริงนะโรกมีจริงนะสวรรค์มีจริงนะตาช่างมีจริงนะสพานสิริมีจริงนะพอไปเห็นจริงเข้าอิสมาอิสลามเนี่ยช่วยได้เลยแต่วันนี้ยังมองภาพอิสลามไม่ออกมองภาพวันวันกิยามัดไม่ออกมองภาพคนที่ตายอยู่ในกุโบไม่ออกบอกเขาอยู่ยังไงพอตายจริงก็เห็นเอา้า อัลลอฮฺมานจะเตรียมนามา ม, าเ ม, ามาัเตรียมพิธการมันจะเตรียมพาดยีมานจะเตรียมส่วนเ ก, ก็มันจะทำความดีกับใครไปเลยเลยช่วยปกป้องการลงโทษในกูโบโไม่ได้เพราะยังไม่เคยตาเพราะไม่เคยเห็นแต่ที่ที่ที่ที่ที่น บ, บีบอกมันไม่เชื่อพอตายแล้วเพิ่งจะรู้อัลลอฮฺตายยิงฉันไอ้แย่เลยโวยวาอยู่ในกูโบอัลลอฮฺจ๋าให้ฉันฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมมาใช้เมาแก้ตัวอัลลอฮฺเคยให้ใครไหม ไม่เคยให้ใครสักคนหนึ่งนะครับคุณลองเอาต่อมากับฟัสตาจาบนาลาหูสัญญายังนะนบีขออุอาอัลลอฮ์รับหมดแล้วเราก็เหมือนกันถ้าเรานามาสะอาดวันหนึ่งห้าเวลาอ่านคุรานซิกรุลละทำตัวดีปกป้องตัวเองเวลาขออุอารับหรือไม่รับรับครับฟัสตาจาบนาลาหูนี่อัลลอฮ์เล่านะคนดีขอนุอาอัลลอ์รับ แล้วพวกเราวันนี้ถ้ามีอิมานมีตักวามีศาสนาเวลามีปัญหาเดือดร้อนขอดุทิอัลลอไม่รับหรือรับครับนบีเลสั่งอย่างนี้การขออุอาที่อัลลอฮฺจะรับเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าที่เราใส่อาหารที่เรากินเครื่องดื่มที่เราจะดื่มเนี่ยต้องได้มาในทางที่ฮาลานทั้งหมดอืมทำไมฮาลานเนี่ยนะ ขอดูอาอัลลอฮ์ไม่รับท่า น, นเอาเงินเข้าบ้านต้องไปหาเงินที่ฮาลานภรรยาอยู่ที่บ้านนี่ยเขาไม่รู้เรื่องะลูกๆอายุนอนอยู่บนเบาะเนี่ยเจ็ดเดือนสิบเดือนได้กินของฮารามที่พ่อพาเข้าบ้านพาลุนรกหมดเลย่ะนั่นนึกดีๆอัลลอฮ์กล่าลูกหลานไม่รู้เรื่องภรรยาไม่รู้เรื่องมอกไปสามี ไปหาเิสกีมาที่ไหนได้เิล้าสกีที่สามีนานพาได้เจ้าของคารามหมดเลยปเปล่นการพานาันมาขายยาบ้ามาอะไรมาได้ไปทำทำไมเพราะผู้ชายบางคนไม่รู้กระทับพาให้ลูกเมียตกนรกหมดเลยขอดูอ า, อาลอกรวมไมครับเพราะฉะนั้นนบีนวฮเป็นที่ทำงานาศาสนาเวลามีปัญหาเดือดร้อนหลังจะอดทนแล้วกี่ปีนะก้าร้อยห้าสบปีสู้ไม่ไหว ขออุอายต่อเราฟาสตาบนาลาหูเราก็เลยตอบรับคำขอของนบีนวัวแล้วต่อมาครับเป็นไงครับฟานาจายนาหูวาหห่าอัลลอฮูเราได้ช่วยให้นบีนัวนั้นปลอดภัยแล้วก็วา่าอัลลอฮูไม่ใช่คนเดียวนะพวกพ้องของเขาก็ปลอดภัยด้วยเห็นอย่างครับ คนที่เชื่อนบีนาวน่นปลอดภัยหมดน้องนุ่นเองก็ปลอดภัยคนที่เชื่อตามอบีนาวน่นปลอดภัยหมดเลยอัลฮัมดุลิลละปลอดภัยจากอะไรครับมีนัลคารบิลอาดิมจากความเดือดร้อนจากความระทมจากภัยพิบัติจากบาลาหรือความเสียใจความลำเคินแปลได้เยอะ การบุญบบกความความลําบากความความลําเค็ญที่นี่หมายถึงน้ำท่วมอ่ามินาลกาบินลาวีมจากตูแฟนอารีมจากน้ำท่วมอันยิ่งใหญ่คนที่ไม่เชื่อนบีนวนะตายหมดคนที่เชื่อนบีนวลรอดหมดอ่ะแต่คำถามไม่อยู่ว่าตายนะ่ะจบหรือไม่จบหลายคนรู้แล้วตายแล้วตา ย, ตา ย, ตายไม่จบ นึกว่าตายแล้วจบที่ไหนได้ไมาจบอ่านพระอ义าญหนึ่งอุกรีกูฝ่อุเดคีลูนารอตายแล้วอัลลอให้วิญญาณอยู่ในนรกต่ออีกเห็นไหร่างกายถูกฝังอยู่ในดินแต่ที่ไหนได้วิญญาณของเขาไม่ตายท่วินวิญญาณกับร่างนี่นะครับไม่เหมือนกันวิญญาณเนี่ยไม่ตาย จะของตายไปแล้วฝังอยู่ในดินแต่วิญญาณของเขาเท่าวิญญาณสะอาดอยู่ในสวนสวรรค์เท่าวิญญาณสุกระกอยู่ไหนนรกต่อไปนี่พอตายแล้วคุณจะเห็นอัลลอฮฺพอวิญญาณออกจากร่างปรับสดายนะ้าดูรลยยะอัลลอฮฺเห็นมะไอีกอะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนู่นเห็นนี่เห็นของที่มองไม่เห็นเห็นหมดเลยครับ S.> สดายอัลลอฮจะให้ฉันกลับมามีชีวิตมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมจะมาขอแก้เนื้อแก้ตัวใหมอัลลอฮไม่ให้วานูฮันอิสนาดามิงกอบลุมาหมัดเอ๋อจงเล่าเรื่องของนบีนูให้อุมาของท่านฟังนบีนูทำงานศาสนาลำบากไหมลำบากทำงานกี่ปีเก้ารอยห้าสิปีเป็นไงครับคนไม่เชื่อ พาสตาจาเบนาลาหูนบีนวัวขอถวาอัลลอฮ์รับหมดเลยแล้วก็ฟานัดเจย์นาหูเราได้ช่วยนบีนวัวให้ปลอดภัยจากการลงโทษของฉันแล้วก็พวกของเขาจากการลงโทษให้จมน้ำตายนี่เป็นความช่วยเหลือของอัลลอฮสุบฮานหาหูวะตาละก็นึกถึง แผ่นดินไหวที่เนปาลเราอยู่ใ น, ารา น, นกรทมไม่ถูกอัลฮัมดุลิลาตอบขอบคุณอัลลอฮ์คนที่ทํำบาปต้องเตาบาตัวต้องเลิกทําความชั่วได้แล้วเพราะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดถึงบางไทยได้ไหมคุรมีครับอาอามินตุมมมฟิสซมาอายักซีฟรบีกู ม, มุลอาลุบบอผู้ท่านคิดว่าคนน่าปลอดภัยกันนั้นหรือผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้ามาถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะให้แผ่นดินสู่คุณเมื่ อ, อไร่ก็ได้ อัลลอฮ์พูดชัดครับในสุรานายตาบาร์กันละจีนะที่เป็นน้องอ่านกระทุ ก, ท ก, ท ก, ท ก, ทกทพื้นตัวคือทําอ่านเพื่ออะไรอ่านให้นึกเอออามอมนตุมมามฟิ ส, สมาอีไอยุสลละอเลกัอลาอิุมฮาซิบะพกคิดว่าคุณนะคุณปลอดภัยกันนั้นหรือผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าหมายถึงอัลลอฮ์จะส่งลมพายุมากระนาคุณเมื่ อ, อไหร่ก็ได้ วันตุมซาม่ดูนพวกคุณยังชูคออยู่เลยวันนี้คุณอ่านพูดหมดเลยนะวะันตุมซาม่ดูนพวกคุณยังชูคออยู่เลยยังหวเราะอยู่เลยยังดื่มเบียร์ยิ่งเหล้าทำซีนาอยู่เลยยังร้องเพลงเต้นรำได้อยู่อีกเลยวันตุมซาม่ดูนยังชูคออยู่หรือไน้องคุณอ่านเตือนพูดเตือนเตือนเตือนไปองครับ คำว่าการบุญเนี่ยการะบินอาดีมความระทมความเดือดร้อนคนที่ช่วยคนที่ลําบากเขาเรียกว่าการบุญเหมือนกันใครที่มีความเดือดร้อนการบุญบนดุนยาเนี่ยมีไหมมีครับอย่างเนี้ยในปานเนี่ยเขากําลังการบุญเอาดิมมีมุสลิมนะในในปานมีมุสลิมจนมาอยู่ที่ผมเนี่ยนะครับจนมาเป็นภาษาอรับสุงมานะครับพี่น้อง ใครที่ช่วยคนที่เดือดร้อนอัลลอฮ์จะลดโทษให้กับคนที่ช่วยเหลือนคนนบีสอั่อย่างนี้นะครับอันอบีฮุไรราระโธยัลลอฮุอันฮุมันนัฟะเซออันมุมินินกูรบาตันมินกูรบิดดุลยาใครที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการให้พ้นจากความเศร้าโศกเสียใจคนที่เป็นมุมินนะมุมินช่วยมุมิน โมเมนที่มีความเดือดร้อนไม่ใช่โมเมนก็ช่วยได้แต่เทศนาบีเน้นอะุมเมนโมเมนช่วยโมเมินเวลาโมเมนมีความเดือดร้อนช่วยกันพี่น้องเป็นไงครับอัลลอฮจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความเดือดร้อนของเขาทั้งหลายทั้งสองโลกโลกนี้และโลกหน้าด้วยดีไหมพี่น้องช่วยไปเถอะพี่น้องโมิมนเดือดร้อนอะ ตั้งก็มีความสามารถก็มีตอวอาก็มีให้แต่ตัาอย่างเดียวเงินไม่ให้ให้ไปเธอ <laughs> พี่น้องอัลลอ์ก็จะช่วยเราเวลาเรามีความเดือดร้อนเหมือนเขาฉะนั้นมันนับฟะเซออัลลอฮ์อัลลอ์จะช่วยเหลือ คนที่ช่วยมุมินด้วยกันเวลาเขามีความเดือดร้อนบ น, นโลกดุนยาใบ น, นี้เนี่ยนะอัลลอ์จะช่วยเหลือเขาในวันเตียมะด้วยแลดุนยาก็ได้ด้วยอัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮิโน้งพี่น้องคร <c oughs> ับอัลลอ์ช่วยคนมาเยอะแล้วนะเอาช่วยใครไม่ให้ลำบากช่วยภรยาฟารโรภรยาฟารโรนี่เป็นคนมีอิมานต่อา้อยนะส่วนฟารโรน่ะสามีเนี่อร่อยจริงๆ ล้ออักบัตภรรยาอบีฟาภรรยาของฟาโรขอด้ดว่าต่อหลลขอไงถูกไหมรอบบิบเนลีอินดกคาไบตามฟิลจันอัลลอฮจะสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้ชั้นนะให้ฉันด้วยอัลลอฮ์ทับเลยเนี่ยอัลลอฮเ ล, ล่าไปฟังว่านัด จ, จีนีมิฟิราหณนวะอามาลีให้ฉันปลอดภัยจากฟาโรด้วยเพราะฟาโรวางแผนฆ่าภรรยาตัวเองว่าอามารฮเห็นพฤติกรรมของฟาโรด้วย ว่านจีนีมินอเกามิกลอลิมีและให้ฉันเนี่ยปลอดภัยจากการจากพวกที่อาธรรมพญาขออัลลอ์รับเลยครับฉันคนที่อยู่ในาศาสนาของอัลลอ์และพบกับความเดือดร้อนขอดุอิศอัลลอ์รับเลยไม่ต้องมัวจะกลัวครับลกงนี้อัลลอ์เป็นเจ้าของนะและ้วอัลลอ์ช่วยใครอีกครับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลล์ก็ช่วย นี่สัญญาเอาไว้ใน ก, นกาอพนะิจารณานุนยีรุสูลนะนาวันละีนาอามานูาเราช่วยรอซูลของเราทุกคนนบีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์ช่วยหมดแล้วใครอีกครับวันละดีนาอามานุคนที่อีมานกับนบีของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยหมดเลยอย่างเราที่อีมานต่อนบีมุฮัมมัดอีมานจริงๆนะเอาซูลานนบีมาใช้จริงจริงอย่าเอาตัวย่อเอาประเพณีปฏิบัติมาใช้นะ เรียนสุนนะปฏิบัติตามสุนนะเวลามีปัญาอัลลอฮ์ช่วยเหลือขอว้ออัลลอฮ์ช่วยหมดนี่สัญญาของอัลลอว์อยู่ในการีกุลอานนะครับต่อมาอายาที่เจ็ดสเจ็ว่นาฟอรนาหุมินัลกามิลละซีนักัจจบูบีอายตินาอินหุมการุกามาซา فأغرقناهم أجمعين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما سوء فأغرقناهم أجمعين الحمد لله الله أكبر อ่านุรอานอริยานีเพิ่งรู้ว่าคนที่ไม่เอาศาสนานเป็นยังไงคนเอาศาสนาอาลัลลอฮ์คุมครองไม่เอาศาสนาดูอริยานีว่านาซรนาหูนาซร์แปลว่ายัไรนะช่วยเหลือช่วยนาซร์เนี่ยเขาใช้กับเรื่องใหญ่ๆตกกนนาาักน้ำมากินหน่อยเขาไม่ใช่คำว่านาซร์นะน้ำมากินหน่อย ก็ได้ภาษาดะมุสาดะถ้าเรื่องใหญ่ๆแผ่นดินไหวฉันจะตายแล้วบีนุมีเหตุการณ์ใหญ่ๆนี่นั่นมาซารบไป็นคช่วยเรียกันบิสเหมือนัมดุลิแล้วว่านาซาร์นะเราได้ช่วยนบีนวัวช่วยนวมีนัลกาวมิลาดีจากมูชน อัลละดีผู้ที่กัจาบูไม่เชื่อหรือปฏิเสธบียาตินาสัญญาณต่างๆของเราอัลลอฮ์ช่วยนบีนัวไม่ให้ถูกลงโทษนะครับเหมือนกับกลุ่มของเขาที่ถูกลงโทษโดยการจมน้ำตายอัลลอฮ์เล่าทําไมเล่าให้คิดเล่าให้คนที่อ่านกลัอานคิดอัลลอฮ์ทำไมนบีนัวรอดทาไม ลุดรอดทำไมนบีมูซารอดทำไม ส, สเกตและรอดแบบวุ่วิตด้วยนะอย่างนาบีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์พอขึ้นทะเลเห็นไหมเดินลงมาเนี่ยพาพวกปนิสราอินตีมาเท้าน้ำทะเลแยกพอขึ้นไปบนฝั่งปั๊บพวกฟาโร่ลงมาอัลลอฮ์วุ่วิตวุ่วิตเลย นามาตายหมดเลยนี บ, บีมูซาผ่านปลอดภัยข้างหน้ากันใกล้ๆ ก, กันหมดเลยเนี่ยนี่ถ้าไม่ถ้าไม่อิมานต่ออัลลอ์นะไม่ไปทางเลยครับเอายิ่งน บ, บีอิบรอฮิมตอนโยนใส่ไฟนะ่ะตอนวิ่นอยู่ในอากาศเนี่ยยิบรี ล, ลงมาถามให้ฉันช่วยไหมถ้าเป็นเราอ่ะจับหมดอะไรๆก็จับหมดอออบอกถ่าชั้นฉันไม่เอาเห็นยังครับ ถ้าอัลลอฮ์ฉันเอาอัลลอฮ์สั่งเลยไฟเอ่ยจงเย็ยนเห็นไหมช่วยเหมือนกันแต่วุวิวุวิอัลลอฮ์อัลกุรนั่นถ้าไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่แต่ว่ากุ้นต่ออัลลอฮ์ไม่สําเร็จฉะนั้นเมื่อเราอ่านเรื่องประวัติของบรรดานาัลลอที่อัลลอฮ์คุม้มครองเนี่ยทำให้อิมานของเราเพิ่มขึ้นนะโอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่เป็นห่วงไม่มีปัญหาอัลลอฮ์มีอุลามาหลายคนในเวลาป่วยไม่กล้าไปโรงพยาบาล ถาม่าทำไมอ่ะฉันไม่อยากให้นางพยาบาลเนี่ยจับตัวฉันเพราะไม่ใช่เป็นภรรยาและลูกของฉันเห็นยังครับเขาไม่ไปโรงพยาบาลทำไมล่ะเพราะโรงพยาบาลมีหมอผู้หญิงนางพยาบาลผู้หญิงแล้วสวยๆด้วยนะลุงกระโปรงสั้นๆทั้งหมดนะทำไงล่ะมาจับโนนจับนี้แล้วฉันนี่เป็นใครจะตาอยู่รอมารออยู่นี่ให้คนฮาามคนดี เธอจะเป็นหมอก่อหมอเธอะนางพยาบาลก่อนนางพยาบาลเธอะก็ฉันเป็นใครอ่ะเขาไม่ยอมไปหาหมอให้ไหมพี่น้องั้องรักแต่ถ้าจะพาไปหาสัญญานะต่อเอาบุรุษพยาบาลนะผู้ชายนะจะเอาผู้หญิงนะอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องเห็นอย่างครับคนที่มีอิมานมีาศาสนาเขานึกก่อนจะตายก็ต้องตายแบบสงา่างามไม่ใช่ตายแบบผู้หญิงล้อมรอบรออักบัดนั่นคนที่ทําศีลนาตายบนอกผู้หญิงนี่น่าคิดนะ อัลลอฮ์อัสซาฟิรุลลอฮ์คิดนะคิดคิดขอต่ออัลลอฮ์เองอังกลัดนะวาณัฟลรนาฮูมินัลกาวมิลลาดีนักัซาบูบิอายาตินาเราได้ช่วยเหลือหน úa ให้รอดจากการจมน้ำตายจากหมู่ชนนั้นบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อสัญญาณต่างๆของเรา คนที่ไม่เชื่อนะบีนู่นว่อาอัลลอซสรุปต่อไปอีกอินนาฮุมกาโนกาวมาซูกาวมาเซวแท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนอะไรเซวอินแปลว่าชั่วอลัลลอเห็นอย่างนี้ภาษากุรานภาษาอาลัอาลอลออัลลอพูดด้วยความโกรธด้วยความมั่นไส้เป็นพว ก, พวกชั่วเอาพวกชั่วไปน้องอธิบายยังไงคนที่ไม่เชื่อนะบีไม่เชื่ออลัลลอ เห็นยังครับยิ่งเอาโอมนบีลูตมาอธิบายด้วยเอาล่คนชั่วก็คือคนที่ร้องเพลงอยู่เป็นประจำเล่นดนตรีอยู่เป็นประจำสูบุรีเล่นกัญชาอยู่เป็นประจำนั่นคนชั่วทั้งหมดเลยมถ้าเอาประวัติของนบีลูตมาเรียนด้วยโอ้โหอคนชั่วนี่ในกทมนี่เต็มหมดเลยวันนี้บ้านมุสลิมเหมือนกัน เาลูกลูกๆเราบางคนไม่เอ า, าศาสนามีไหมมีครับแต่พ่อแม่ตัดไม่ได้พ่อแม่ต้องขอุอาครับรับบานาฮับลานามินอัลวัดินาวะซุรยีย์ตินาคุรรตาอัยุนวะจัลนาลิลมุตะกีนอิมามะอัลลอฮฺมัสบบิดกอลบวงอาลาดีนกาวาต้องมันขอถอายพ่อแม่เพราะว่าเป็นลูกของเราไม่เอ า, าศาสนาเราเป็นฮวงอะที น, ะนี้อีตอนได้ลูกเนี่ยครบ นบีอิบราฮิมขอดูอาดีนะรับบิฮะเบลีมีนอซอลีไฮนอัลลอฮฺจะโปรดประทานลูกที่ซอลและพ่วงท้ายด้วยซอลและพี่น้องอย่าลืมนะขนาดนาบีบ้านนาบีครอบครัวนบีเป็นครอบครัวที่ซอลและอยู่แล้วเวลาจะขอให้มีลูกน่ะขอให้ได้ลูกที่ซอลและพ่วงท้ายด้วยซอลและถามพวกเราน่ะ ขอใหดูอาให้มีลูกนะเคยพ่วงท้ายว่าซอนแลกไหมบางคนอนะ่ะย่าเล่าให้ได้ลูกก็แล้วอลัลลอฮ์พอได้มาแล้วโปดหัวต่อยอังนะพราะเราไม่ไม่ได้ขอว่าลูกต้องสอนแลกขนานาบีอิบรอฮิมยังขอว่าซอนแลกนะอลัลลอฮ์จะโปรดประทานลูกให้ฉันต้องเป็นลูกที่สอนแลกต้องกำกับด้วยสอนแลกด้วย เพราะจะต้องทำงานศาสนาต่อไปถ้าไม่ซอแล้วทำงานศาสนาไม่ได้นะครับน่าคิดครับอินหุมกาโนกามาสาแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นเป็นหมู่ชนเกามาแปลว่าหมู่ชนเสาอุนแปลว่าชั่วเป็นหมู่ชนที่ชั่วนี่ใครพูดครับอัลลอฮ์พูด ค, คนไม่เอาศาสนาชั่วคนที่มีศาสนาแล้วก็ดูดกันช้าชั่ว คนที่มีาศาสนาเล่น ม, มีอาชีพร้องเพลงเต้นราดีกีตารชั่วถห็ครับครับมันต้องนึกคมันต้งงงองปกป้องลูกเราอยากให้มีอาชีพนี้อาชีพฟุตบอลก็ได้แต่ฟุตบอลที่มีาศาสนานะฟา่์ซีนะเนะอาต่อมาครับเวลาเป็นหมู่ชนที่ชั่วไม่เอ า, าศาสนาอาลัลลอ์ลงโทษก่อนไหมยังครับอลัลลอ์ไม่ลงโทษนะ ส่งนบีอิบราฮีมาสอนก่อนสังเกตนะอัลลอฮ์เมตานะใครที่เป็นคนชั่วอัลลอฮ์ไม่ลงโทษก่อนจนกว่าจะสรงนบีมาสอนก่อนพอสอนเสร็จแล้วไม่เชื่อฟาอารกรกนาฮุมอาร์ อ, ก, รอ ก, ก็แปลว่าทําให้จมน้ำฟาอารรกรกนาฮุมดังนั้นเราจึงได้ให้พวกเขา จมน้ำอักหอกนาแปลว่าจมน้ำคุ้มพวกเขาอาจมาเอ็นกี่คนทั้งหมดเห็นยังครับทั้งหมดอาจมาอ็จมน้ําทั้งหมดนี่คือผลกับการที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูนไปเน้องวันนี้ก็เหมือนกันใครที่ไม่เอาเนาบีมุฮัมมัดสังเกตนะคนที่ไม่เอาเนาบีมุฮัมมัดรวยหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ คนที่แอนตี้ซูนานบีอัลลอ์รวยหมดเลยพี่น้องมุสลิมหลายคนฉันอยากจะทิ้งอิสลามอยู่แบบคนนั้นนะ่ะหลายคนคิดนะนกักพี่อ่านอธิบายอย่างนี้ในใจฉันนะ่ะอยากจะให้คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยหลังคาบ้านของเขาทำมาจากทองแล้วก็บันไดบ้านของเขาให้ทำมาจากทองฉันก็กลัวว่ามิมุสลิมจะทิ้งศาสนากันหมด เลยไม่กล้าทําแต่เอาลอพูดเอาไว้อยากจะให้บ้านคนที่ไม่เอาศาสนานั้นหลังคาทําด้วยทองบันไดทําด้วยทองแต่กลัวมุสลิมใจไม่ถึงทิ้งอิสลามดีวกว่าจะได้อยู่รวยๆพี่น้องหลังคาทําจากทองหลายคนคิดนะพี่น้องนะแต่ถ้าอ่านกูอ่านจะเลิกคิดอยู่อย่างนี้แหละอยู่ตามที่อัลลอฮ์กำหนดอัลฮัมดุลิลลาฮ์สบายใจ อาต่มาครับอายที่เจสิบปวะด้าวดาวสุไลมานอิ้นย์ حكم ันในฟิลฮัฟซอิ้นนฟาชัดฟีห์ غنم القوموكننا لحكمهم شاهدين วดาวดาวสุล aiman إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكن لحكمهم شهدين الحمد لله นี่ Allah เล่าเรื่องมาอีกแล้วเรื่องนบีบรูฮมจบ แล้วเรื่องนบีอีกสองคนต่อเพื่อให้พวกเราได้ใช้ปัญญาไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์อ้าวคนละสมัยกันเลยนะดาวูดสุไลมานกาดมิอิบรอฮีมคนละสมยัยคนละยุคแต่มาเล่าอยู่อายะติดติดกันดาวูดเป็นนบีของอัลลอฮ์ สุไลมานก็เป็นนบีของอัลลอฮ์มุฮัมมัดเลยเล่าประวัติของดาวูดให้อุ ม, มาของท่านฟังและเล่าประวัติของนบีสุไลมานให้อุ ม, มาของท่านฟังนบีดาวูดนี่เป็นพ่อส่วนนบีสุไลมานเป็นลูกเห็นยังเขาเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยพ่อลูกดีหมดเลยอัลลอฮ์ Allah เล่าให้ฟังได้ไหมได้ พ่อเป็นนบีลูกก็เป็นนบีแต่ขณะที่เล่าเนี่นะโซลมานยังไม่ได้เป็นนบียังเล็กๆอยู่นะครับอา้าวนบีดูดาวูดกับนบีโซลมานจงดำลึกถึงเรื่องราวของนบีดาวูดและนบีโซลัยมานสองท่านนี้ทำของดีที่อัลลอฮ์เล่าให้พวกเราฟังมีอะไรบ้างอิสยาคูมานี่ ทั้งสองคนนี้ได้ตัดสินได้ตัดสินยกูุมานตัดสินคดีปัญหาเรื่องทะเลาะกันอะไรกันมาหาท่านท่านตัดสินสแสดงให้เห็นว่าการตัดสินเนี่ยนะเป็นศาสนาใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ศาสนาเอาล้อไม่เอาสายวันนากรีพูอ่านหรอกใช่ไหมฉะนั้นการตัดสินคดีนี่เป็นศาสนาฉะนั้น เมื่อเป็นศาสนาต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมที่สุดไม่ใช่เรื่องเล็กครับน บ, บีเลาสอนเอาไว้ใค ร, ใครมีพระยา ก, กันหนึ่งแบ่งให้มันชัดเจนนะสอนเลยเนี่ยแบ่งนะแล้วก็อย่าขอรำชันเวลานะ เข้าบ้านนี้สองทุ่มบ้านนู้นก็สองทุ่มนอกจากพระยาฉันมากี่โมงก็ได้อัลฮัมดุลิลละกี่โมงก็ได้ขอให้มาก่อนลวกันอย่างนี้สบายไหมสบายพระยาที่เขาาศาสนาฮัมดุลิลลเงินก็เหมกันฉันไม่เอาเลยเงินของพี่ฉันมีอพาร์เมนต์เดือนสองแสนพี่มาอย่างเดียวมาแต่ตัวอย่างเดียวสบายใจไหมฮัมดุลิลละ ถ้าหาผู้หญิงเข้าไมา่ยกเว้นนะต้องให้ครบนะให้นะพอก็นวพอก็แบ่งเท่ากันจะมีรางวัลตอบแทนในโลกอาคือร้อนะนี่เรื่องรเรื่องการตัดสินนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดฉะนั้นรักลูกก็เหมือนกันต้องรักให้เท่ากันเรามีลูกหลายคนเนี่ยรักต้องรักเท่ากันหมดแต่นบีก็สอนเวลาจะให้ของขวัญเนี่ยลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายเนี่ย ให้ของขวัญใครมากกว่าลูกผู้หญิงเห็นไหมอ้าวพย่อเนี่ยไปทำอุมรอกลับมาไปมาสิบวันพาออย่ที่มาเก่ากว่านึกเอยจะซื้อของขวัญให้ลูกลูกมีสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคน อ, อันนี้ก็ให้ให้ใหม่ไ้เท่าๆกันถ้าจะให้อะไรแถมมากกว่ากันต้องให้กับลูกผู้หญิงเซื้อ อดีย่ให้ลูกผู้หญิงมากกว่าลูกผู้ชายนี่ใครสร้างนะอัลลอฮฺสร้างผ่านนาบีมาต้องเข้าใอิสลามด้วยไปลองถ้าอย่างนั้นต้องเท่ากันหมดหอมลูกผู้ชายหนึ่งทีก็ต้องลอหอมลูกผู้หญิงหนึ่งทีถ้าไปหอมอะไรมากกว่าลูกมาเห็นพ่อนี่รักลูกคนนั้นมากกว่าหนู เ, เสียเสียใจอีกแล้วเห็นมไหม <laughs> ฉะนั้นการตัดสินคดียิ่งเป็นผู้นําคนต้องตัดสินคดีตามเป็นบี มูซาเอเนเจนบีดาวุดกับสุไลม ا ปฏิบัติอัลลอพอใจเรื่องการตัดสินคดีความต่างๆของนบีสองท่านนี้อัลลอพอใจเลยเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังให้คนที่อ่านกูอ่านเข้าใจว่าการตัดสินคดีเป็นาศาสนาไม่ใช่เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นาศาสนาหมดเลย วะดาวูดาวสุไลมานจงจำลึกถึงเรื่องราวของนบีดาวูและนบีสุไลมานสองคนนี้เป็นนบีด้วยแล้วก็เป็นผู้พิพากษาตัดสินเป็นกอดีด้วยอิสยาห์กูมานสองคนนี้ได้ตัดสินรู้ไหมเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์พอใจฟิลฮัซีฟิลฮัสีเกี่ยวกับเรื่องไรน่นา โอ้แ ส, สดงว่กาการทำไร่ทำนามีมานานยังตั้งแต่สมัยนู่นแล้วมีแพะมีอูดมีเป็ดมีไก่ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วชีวิตเหมือนพวกเราวันนี้เหมือนกันฟิลฮัซตตัดสินในเรื่องอะไรนะเรื่องไร่นาไร่นาเป็นยังไงครับอีธนาฟา ช, นาฟาชาันาฟาช่านาฟาช่แปลว่าสัตว์ที่เข้าไปในเวลากลางคืน ถ้าเป็นกลางวันไม่ใช่ค้างวันนาฟาชัดจะเพาะกลางคืนอย่างเดียวนะสัตว์ที่เข้าไปในที่ที่ที่หนึ่งในเวลากลางคืนนี่ภาษาอับอัลลอฮฺวะบัลลอฮฺอิสนาฟาชัดฟีฮีรอนอมูลกาวนามไปว่าแกะมีแกะของชาวบ้านเข้าไปในสวรในไร่ของเขา แล้วไปกินแล้วก็ไปทำลายไปเหยียบไปย่ำเสียหายหมดเลยนี่อลลรล์เล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นในสมัยนบีมูซาอันนัทตบีดาวูดกันนบีสลัยมานมีแพะมีแกะฝูงหนึ่งพี่น้องของชาวบ้านในเวลากลางคืนนะคงจะหนีออกจากคอกไปนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปเข้าไปในสวนอินสวนองุ่น ของอีกบ้านหนึ่งเข้าไปเหยียบไปย่ำไปกินไปเล็มหมดเลยเรื่องนี้กลายเป็นคดีเสร็จแล้วก็ไปหานาับีดาวูดไปหานบีดาูดก่อนแล้วต่อมามาหานาบีสุลสลามันที่หลังไปหานาบีดาูดเนี่ยไปเล่าเดยกระฟังอับดุลดาูดบอกอย่างนี้ริบแพะริบแพะริบแพะเอาไว้ ยึดยด ย, ดยึดแพะเอาไว้ยึดแพะเอาไว้เออเอา <c oughs> การตัดสินของนบีเนี่ยเรพอใจนะเสร็จแล้วไปหานาบีสุไลมานอีกขนาดตัดสินแล้วนะนบีดาวุฒตัดสินแล้วว่ายึดแพะเอาไว้ไม่พอใจไปหานาบีสุไลมานซึ่งเป็นลูกชาอยู่กนละที่สุไลมานก็บอกว่ายึดแพะ อย่างอย่างอย่างอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละแต่ว่ายึดชั่วคราวอย่ายึดทั้งหมดไม่ใช่ยึดตลอดไปยึดยึดชั่วคราวแล้วก็คุณเอาประโยชน์จากอะไรนะจากนมจากอะไรนะขนเอามาหาห า, หาอะไรนะหาประโยชน์ได้ชั่วคราวนะแล้วก็สั่งเจ้าของแพะ ให้คุณไปดูสวนที่แพะคุณลงไปกินไปเล่มไปเหยียบไปย่ามเสียหายหมดเนี่ยจะของแพะเนี่ยไปดูสวนไปเอาน้ำใส่ไปดูแลสวนให้มันงามเหมือนเดิมก่อนที่แพะคุณจะเข้าไปกินนี่นบีสุลมานตัดสินดีกว่าคุณพ่อแต่เขาไม่ตำหนิกันคุณพ่อบอกว่ า, วายึดแพะเอาไว้พอแล้ว อีกกลุหนึ่งไม่พอใจไปหาอบบดุาลเลมานที่บ้านอธิบายอธิบายความให้ง่ายขึ้นที่เป็นการตัดสินที่อัลลอฮ์พอใจเล่าให้พวกเราฟังวันนี้อ๋อฮัมดุลิละยึดแพะเอาไว้ได้แต่ไม่ไม่ได้ยึดตลอดแต่ให้ยึดชั่วคราวแล้วก็สั่งให้เจ้าของแพะมาดูแลสวนใส่นมใส่น้ําใส่ปุง๋งใส่ปุ๋ยใช่ไหมให้ต้นองนุนมันเจริญเหมือนเดิมแล้วก็เอาแพะคืนแล้วก็เอาสวนส่งเจ้าของ เดิมไปซะนี่ตัดสินเขาขายของนบีสุไลน์นบีสุไลมานอะลาฮิสลามอลัลลอฮ์พอใจนี่ตัดสินดีไหมดีมากครับทาไมอลัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้ต้องการให้พวกเราวันนี้ยึดเอาการตัดสินแบบนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันด้วยผู้ที่ตัดสินคดีเขาเรียกว่ากอดีใช่ไม่ใช่ไห ม, ไหมอาเรียกวกอดีมดูฮะดิษนะครับ คนที่เป็นกอดีเนี่ยเป็นอย่างงี้นะกอดีมีอยู่สามพวกกอดินฟิลจันนะคนที่ตัดสินคดีความคุ่หนึ่งตัดสินแล้วได้ไปสวรรค์ว่ากอดียานิฟินนาบกอดีประเภทที่สองกับที่สามตกนรกเห็นไหมเป็นโกโตโกอดีเนี่ยโอกาส เข้าสวรรค์ก็มีตกนรกก็มีแต่ตกนรกมากกว่าเข้าสวรรค์กอดีมีอีกสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเข้าสวรรค์อีกสองกลุ่มไปนรกคำอธิบายเป็นอย่างนี้รอยูลุนอาลีมันฮักโต๊ะกอดีที่รู้ความจริงว่กากอดบิฮีฟะฮูวัฟิลจันนะเขาก็ตัดสินตามจริงๆนะครับที่อัลลอ์สอนที่เรียนรู้มาต๊ะกอดีคนนี้ได้ไปสวรรค์ วารโยรุลหักมาใบนันนัส阿拉จาลินตตโกดีที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัดสินแบบโง่โงแบบผิดผิดเอาเงินยัดบางอะไรบ้างอะไรก็ตามแต่นี่นะฟาฮูวาฟินนาโตโกดีคนนี้หลงนรกอีกกลุมหนึง่งวารโยรุลหนาลีมันหักตตโกดีที่รู้เรื่องจริงทั้งหมดวากอบอแล้วก็ตัดสินคิ้ลาบตรงกันข้ามกับกับเรื่องเรื่องจริง ฟาหูบปินนัดตกนรกแค่นั้นไปตัวกวาดีเนี่ยตำแหน่งมังก็ใหญ่นีคนรู้จักเยอะนะแต่ว่าตกนรกง่ายตัดสินอะไรตามอารมณ์แคนั้นต้องมองนบีดาวูดกับนบีุซไลมานเป็นแบบเพราะเป็นศาสนานาบีพูดเลยนะครับอัลลอฮฺอักบะดมักกับยตอนอะไรมีอีกเรื่องหนึ่งในตัวซีอิบโนกซีอธิบายอย่างนี้ อับดุลเบีร์ายละกะดิอัลลอฮฺของอันทูลอธิบายบอกว่ามีผู้หญิงสองคนมีลูกด้วยกันสองคนอีกคนหนึ่งอายุเยอะหน่อยอีกคนอายุน้อยหน่อยผู้หญิงสองคนนี่มีลูกแล้วลูกเดินมาวางไว้อแล้วก็หมาจิ้งจอกก็มาคาบเด็กไปคนหนึ่งเด็กออกมาใหม่ๆเนี่ยยังจําหน้าไม่ได้คนลูกเราเป็ลูกใครหมาจิ้งจอกเอาเอาเด็กนี่ไปเสร็จแล้วก็ไปหานับีนี่แหละนบีดาวูดกับนับดุียรลัยมาน นบีดาวูดเป็นพ่อเขาบอกเด็กคนนี้น่ะเป็นลูกของใครนะเด็กคนนี้น่ะให้กับอะไรนะให้กับคนที่เป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่ไปตัดสินให้เป็นเป็นเป็นกับผู้หญิงที่มีอายุมากหน่อยพอนบีดาวูดตัดสินครับ ก็ไปหาอับดุลเลมานอีกบดุลเลมานก็เป็นคนที่อัลลอฮ์ให้นะสติปัญญาเฉียบแหลมความจาดีอะไรดีตัดสินไม่เหมือนกับที่นบดดาหูตตัดสินทางี้ก็เอามีดมามีดมาผิงสองคนนี้เถียงกันนี่ลูกชั้นลูกชั้นลูกชั้นอับุลมานว่าเอามีดมอับดดาห์ูฉันจะพาเด็กนี้คนละครึ่งคุณไปสิงโดนไปสิงฉลาด ก็คนว่าเด็กแม่ที่เป็นสาวเนี่ยบอกว่าไม่ต้องพาฉันยกเอาไปเลยเป็นลูกของท่านพอยกอย่างนี้ปั๊บนบีโซลัยมานกลัว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของผู้หญิงคนนี้ไอ้คนที่ว่าเป็นของคุณนี่ละเห็นไหมไอค้คนนี้นั่งเฉยยิ้ยมนั่ไมาใช่นี่เป็นคําตัดสินของนบีโซลัยมานเห็นยังครับเขาใช้ฮหกมากในการตัดสินเนี่ย มันเป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งก็ต้องมาเรียนเป็นห้าสามปีส่ปีะเรียนอย่างเงี้ยใช่ไได้แต่เราอธิบายแค่สองสามนาทีเพื่อให้รู้ว่าการตัดสินคดีเป็นาศาสนาและมีรางวัลตอบแทนจากอ ok, ัลลอในวันอัคเชร่์ด้วยอย่าเข้าข้างคนอย่าเข้าข้างเข้าไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นได้เป็นเรื่องติดตัวเราถึงวันเตียมาเลยนะพี่อนั้นนบี มีภรรยาหลายคนน บ, บีพูดอย่างนี้อลัลลอฮฺจะเรื่องวัตถุฉันให้ครบเรื่องวัตถุนะฉันให้ครบแต่เรื่องความรักมันเรื่องในใจเนี่ยอลัลลอฮฺเป็นเจ้าของอลัลลอฮฺจะอย่าเอาโทษฉันเลยนี่นบีขอดูอาเอาไปเลยออย่าเอาโทษฉันในเรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องวัตถุฉันให้เอาเอาบัติเอาไปอารถเอาไปที่ดินเอาไปแต่ว่าเรื่องหัวใจ ฉันรักใครมากกว่าการนั้นมันเรื่องในหัวใจเอาละจะาอย่าเอาโทษเลยเพราะฉันคอนโทรลหัวใจฉันไม่ได้ปลอดภัยนะพี่น้องทมดูดีละอายะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสุดท้ายพี่น้องครับฟาฟะฮัมนาสุัลมานวกุลันอาตยานะฮุคโมะอิลมา วَั ا ร์น่า و าเดา ا ل ْ جبال يسبحنا والطير وكن فاعلين الله أكبر ففهمنا سليمان و ُ ل ن آ ت ي ن ا ح ك م ا و ع ل م ا وسخ วสักรนามื่อดาวดัล جب าลยุบบิห์นวัดไทรร์วคุณน่าฝ่ายลินอัลฮัมดุลิลลอฮ์อันนี้ได้ความรู้เยอะมากครับเพื่น้องเรื่องที่หนึ่งฟัฟ้าคำนาเราอัลลอฮ์ได้ให้ความเข้าใจ ให้ความรู้ความเข้าใจกับใครกับนบีสุไลมานเห็นยังครับฟะฟะหัมนาสุไลมานสุไลมานเนี่ยตัดสินคดีสองคดีที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังนั้นละเอียดมากกว่านาบีดาวูดผู้เป็นพ่ออลัลลอฮ์ชมนะเนี่ยแต่ไม่ได้ตําหนินบีดาวูดนะถ้าไมตัดสินน่ะก็ม่ความสามารถอลัลลอฮ์ให้แค่นี้ก็ตัดสินแค่นี้ แต่นบีสุลมานละเอียดนิดหนึ่งใช่ไหมอัลลอฮ์ชมฟาฟ้าคำนาที่ตัดสินได้คดีอย่างดีอย่างนี้เพราะความเข้าใจใครให้ความเข้าใจปัญหาอัลลอฮ์ให้ครับเพป็นนั้นใครที่มีความคิดความอ่านดีนี่นะอย่าพูดว่าฉันแน่อย่าอย่าย่าต้องว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลอฮ์ให้ครับอัลลอฮ์พี่น้องเห็นอย่างครับนี่อัลลอฮ์สอนนะอัคลาบ ที่งดงามได้อะไรดีกว่าคนอื่นเขาต้องนอบน้อมแล้วก็ถอมตนอัลลอห์อักบัรบางคนพูดภาษาในห้าภาษาเนี่ยอังกฤษมลายูอูรดูหูพี่น้องตะกับบุตรใครสอนลดถอมตนถอมตนถอมไม่หมดฮัมดลิละยายิงต้นต้นไม้นะถ้าผลมันเยอะเนี่ยมันทำไงมันจะโนม้มฉันไม่ใช่ เด็กๆมากก็หยิบได้ไอ้ต้นไม้ที่ชูก้าเนี่ยมีอะไรไหมไม่มีเลยเอาอย่างอยากจะเป็นแบบต้นไม้ไม่มีไม่มีผลก็เชิญชูกิ่งพี่น้องใบเต็มไปหมดเขียวการแดดอย่างเดียวผลประโยชน์ไม่มีฝ ะ, ะฟะฮัมนาสุไลมานเราได้ดนใจทำให้สุไลมานนั้นเข้าใจการตัดสินในเรื่องนั้นอัลลอฮ เราให้นะเร า, าอธิบาย์การบางคนนพูดกับลูกแค่สองสามคำเนี่ยลูกเชื่อเลยนะมีอีกคนหนึ่งโทรศัพท์มาเล่ามาฟังว่าลูกหลานเขาเนี่ยไม่เอาศาสนาเลยกูไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอากูไปเลี้ยงควายเอาก็าเลี้ยงควายก็เลี้ยงได้แล้วก็หาก็ห า, หาอีกคนหนึ่งมามาอธิบายอธิบายไม่ถึงห้านาทีจะส่งเรียนอะไรเอาหมดเลยเขามีวิธีพูดนะ ป๊บป๊บป๊บป๊บเด็กยอมจำนนเลยเอา้าจะทรงเรียนอะไรหนูพร้อมเมื่อก่อนนี่แต่ต้องเรียนควายเรียนควายเรียนควายเรียนควายก่เรียนได้แต่ต้องเรียนก่อน <c oughs> ฉะนั้นเอาเล่ Allah ให้แต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นใครที่มีความสามารถอธิบายความให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆคนนั้นมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูวตาตัดะยะยะอย่ า, ย า, ยาตะการ บ, บ่นนะะฟะงฟะังคำนาะ ดังนั้นเราอัลลอฮได้ดลใจให้สุไลมานั้นเข้าใจการตัดสินแบบง่ายงานนะครับต่อมาครับ <S <S <ess> วกุลันอาตนาฮุคมาอัลกลมาทั้งหมดทั้งสองคนนั่นแหละนะทั้งสองคนนี่นะเราได้ประทานกุลันอาตนาอาตนาแปลว่าเราได้ประทานฮุคมันแปล ว, ว่าวิทยา ปัญญานี่ความเฉลียวฉลาดนี่นะอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์สเกตนะวิทยาปัญญาก่อนแล้วก mm ็ตามด้วยอินมูที่หลังเห็นไหมให้ความเฉลียวฉลาดมาก่อนแล้วก็ให้ความรู้มาทีหลังเห็นไหมไม่ใช่ความรู้ก่อนวิทยาไม่ใช่นะให้วิทยาปัญญาก่อนแล้วความรู้ตามมาอัลลอฮ์นะครับเราได้ประทานวิทยาปัญญาและความรู้แต่ละคนในทั้งสองนั้น ให้กับนบีสุลัยมานด้วยให้กับนบีดาวูดด้วยไม่ตำหนิใครเห็นยังครับกานอุลามาดเป็นคนดีทั้งหมดนบีเป็นคนดีหมดอย่าไปตำหนิใครแค่สักคนหนึ่งนะต่อมาครับนี่เรื่องนี่เรื่องใหญ่วัสครนามาอาดาวูด阿尔จีบาลสักครนาแปลว่าเราได้ทำให้อัลลอฮฺอัลลหรือให้ให้อะไรให้อานาจ มาอยู่ใต้อำนาจทํำอะไรครับยิบายิบาแปลว่าอะไรนะภูเขาเมาน์เทนอัลลอฮ์ทำให้ภูเขาทําให้ภูเขาซักครนามาอยู่ใต้อำนาจมาอาดาวูดพร้อมกับนบีดาวูดร่วมกับนบีดาวูดเราได้ให้เราได้ทําให้ภูเขา แ ล, แล้วก็วับต้อยเหรอแล้วก็นกมีสัตว์อยู่สองชนิดมีสิ่งสองสองชนิดภูเขากับนกพูดไม่ได้นะครับแต่สามารถพูดได้ในวันนั้นนกก็พูดไม่ได้ได้แต่ร้องอย่างเดียวภูเขาก็พูดไม่ได้แต่วันนั้นพูดได้คนสงสัยอะภูเขาพูดได้มีหรือนกพูดได้มีหรือ มีครับนี่ไงคุณอริยานี้นี่เป็นมุ่งมั่ น, นิษาชาติอัลลอฮ์ให้จะนั่นคนที่พูดว่าวันเกีย ม, มัติมือพูดไม่ได้ข้าใพููเขาังพูดได้เลยเอาตัว น, นี้ภูเขาพูดว่าไงครับว่าสักนามาดาวูดและเราได้ทำให้ภูเขาวัต้อยรและนกอยู่บบ na, ซับเบียหนาสรรเสริญสะดุดี แสซองสะดุดีกับใครนะมาอาดาวูดร่วมกับนบีดาวูดด้วยคําคําอธิบายกับนบีดาวูดดาบีดาวูดเนี่ยเป็นเป็นนบีอะไรนะเป็นนบีที่อ่านคำภีตเตอร์เสียงเพราะมากเสียงเพราะมากดาบีกับพีคำภีนั่นนะ่ะคำพีซา บ, บูตอ่ะเสียงเพราะมากเลยอ่ะ เสียงเพราะมากเลยเพราะอ่านคำพีซ บ, บูตเนี่ยโอลออัคบัดนกดีอยู่บนชั้นฟ้ากำลังบินบินอยู่หยุดหยุดเลยทั้วันนี้ร้องเพลงกันไน้องไม่มีใครใครอ่านอ่านสักคนหนึ่งไปน้องร้องเพลงฮึมฮึ่ม่มเด็กมุสลิมึกว่าการร้องเพลงคือของที่ประเสริฐที่สุดบนโลกดุนยาแบนี้ไม่ใช่เข้าใจผิด นบีดาวูดอ่านแล้วนะคำพีซาบูร์พออ่านปั๊บเสียงดังเสียงไพเราะมากก็นกบินอากาศหยุดหยุดฟังแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์ตามนบีดาวูดไปด้วยแต่สรรเสริญยังไงอัลลอฮ์เวลาเราไม่รู้และอะไรอีกครับวัลจิบาลมาร์ทเอนผู้เขาอีกพี่น้องผู้เขาได้ยินนบีสุไลมาอ่านคัมพีซาบูร์เสียงไพเราะมาก สรรเสริญอัลลอฮ์ภูเขาพูดออกมาเป็นภาษาอะไรเราฟังไม่ออกแต่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังจิบ้านจิบ้าน mountain bird bird ทั้งภูเขาและนกสรรเสริญสิส่งดีอัลลอฮ์พร้อมกับนบีดาวิดอะลัยฮิสสลามเห็นอย่างครับนี่ต้องการจะเ ok, ล่าว่ามวยจีดจับนโลกดุนยาใบนี้สรรเสริญอัลลอฮ์ทุกรายการ สรรพสิ่งทั้งหมดทุกในการสรรเสริญอัลลอฮ์หมดแต่เราไม่รู้เราเองจะหากอยู่พะยศ ต, ต่ออัลลอฮ์วันนึงไม่เคยสุพรรณอัลลอฮ์เลยแย yeah, นะ่นะทะนี้พอมาอ่านอยาย่านี่ปั๊บนี่นะนบี ม, มุฮัมมัดก็มีอยู่คืนหนึ่งนบีมุฮัมมัดเนี่ยเดินเดินไปในหมู่บ้านเดินผ่านบ้านชาวบ้านนบีคนหนึ่งชื่ออบูมูซาอลัลอัชอารี อบูมูซาอัลอาชอารีนะครับพอเดินไปก็ได้ยินอบูมูซาสุสปนซาวบานะบีนะัอ่านกุมรอานเสียงเพราะมากมีอยู่คนเดียวที่อ่านกุมอีร์เราเสียงเพราะมากเลยมูซาอัลอัชอาลีเป็นซาวบานะบีนบีเดินไปพออบูมูซาอ่านนาบียืนฟังอะไปไม่รอดเหมือนนก พอน บ, บีดาวูดอ่าซาบุตพับนกหยุดบินภูเขาปรงเต่งเสียงออกมาเลยตามน บ, บีดาวูดไปด้วยน บ, บีก็เหมือนกันน บ, บีมุฮัมมัดเดินผ่านบ้านอบูอัชอารีมูซาอัชอารีอ่านพูนาอ่านอยู่ในบ้านน บ, บียืนฟังเลยพอฟังจบน บ, บีพูดอย่างนี้เราก็จะอูติยาฮาจา มิสมารันมินมาซามีรอาลีดาวูแท้จริงอลลัลลอฮฺได้ทรงประทานเสียงไพเราะอย่างนี้ให้กับนบีดาวูดมาก่อนแล้วแสดงว่าอบูมูซาอ่านกรุรอันานไพเราะมากเลยขณะนบียังยืนยืนยืนยืนฟังอะ่ะคิดดูคนอ่านลงกับ น, นบีใช่ไหมแต่คนที่อ่านเพราะกับใครอบูมูซาอัลอชอาลีนบียืนฟังเลย แล้วต่อมาอบูมูซารู้วะนาบียืนฟังท่านพูดว่าไงรู้ไหมยาราซูลลาลเหรอเราอาลิมตุถ้าฉันรู้นะอันนักตัสตามโอท่านยืนฟังอยู่นะฉันจะทําให้เสียงของฉันเพราะกว่าวันนั้นเอง <c oughs> เห็นไหมถ้าฉันรู้วะนาบียืนฟังอยู่ฉันจะทําเสียงของฉันนี่อัลลอฮฺอักบุบะดให้ <c oughs> ฉันเองเลยภาษาอูดุวยังนี้ครับอักด มูจอฉัดมู่งเยีกยมุณน์มาลุมฮุจาตตาทมแอซีดาดาศุนวาร์คปั้นเนเคกโกษชขึ้ต่อเนื่จากตับสิบอิบดูเกษตรปีภาษาอุนดูอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าฉันรู้ว่านบียืนฟังอยู่ฉันจะทำเสียงของฉันอ่านให้ไยเราะมากกว่านี้อ <laughs> <laughs> <laughs> ีกนี่ขนาดอ่านธรรมดาธรรมดาอยู่กับเมียนะอัลลอ์นบีฟังข้างนอกนบีเดินไม่ไหวขาขยับไม่ได้แบบ นบีดาวูฒอ่านซา บ, บุตนกบินอยู่ในอากาศหยุดหมดเลยใช่ไหมว่าอ่านคัมภีร์ซาบูตเสียงดังอ่านคุรานเสียงดังแต่ตรงกันข้ามร้องเพลงเสียงดังกว่าเราจะเอาอยัางไงจะเอาบ้านมีอะไรนะมีบรากาศมีบรากาศแล้วเปิดเพลงจะประกาศจะมาได้ยังไงเปิดกุ้องอ่านเธอไปน้องเนี่ยลูกหลานเราดีท่องจากล้อ่านอัานเยอะๆอ่านดังๆไปน้องอร่อย ไอ้จัดจิงโจรที่อยู่ในบ้านเนี่ยนบีสั่งให้ฆ่ามันนะเพราะเป็นจิงโจกชนิดเดียวที่เป่าเปล่าไฟของนบีอิบรอฮีมให้ลุก <S <S สัตว์ทั้งหมดเนี่ยเป่าให้ดับแต่มิสเตอร์จริงโจกเนี่เปล่าให้ลุกเพื่อทำลายนาบีอิบรอฮีมเป็ะนั้นค่าจิงโจรบ้างี่อยู่ในในข้องของท่าน อัลลอฮฺไม่ต้องเรื่องจะอธิบายเยอะอละละเล่าให้ฟังนะวากุณนาฟาอิลีและเราอัลลอฮฺเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้มาให้เสียงไพเราะ น, นี่ใครให้เสียงเพราะเพระาะไพเราะใครให้อลัลลอฮฺให้กุณนาฟาแล้วเป็นคนทําเองเอะนี่อัลลอฮฺเล่าให้ฟังยังไม่เชื่ออัลลอฮฺอีกเลยว่าไงนะ อินวาคุณนาฟาอิลีนวากุนาฟาอิลีและเราอัลลอฮเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้มาให้กับนบีดาวูดให้กับอบูมูซาอัชอารีอ่านกูร์านเสียงเพราะนาบีถึงกับยืนฟังเหมือนนกพอได้ยินนบีสุลัยมานอ่านคัมภีรซบุตหยุดบินไม่ไหวปงปีกอ่อนหมดเลยสรรเสริญอัลลอฮด้วยเอาีปนองครับจานั้น มีลูกมีหลานให้อ่านควรอ่านเยอะๆนะท่องจำควรอ่านเยอะๆและลูกไม่เสียสุภานกรอุมเาบิฮัมดีกาช่วลอิลัฮอิลลอันตะอัสตะคุรกะวะตูบะอิไลสุลแอาลัยกุมะละฮ์มัตุลลอฮบรากต